มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาจตุทวักนิโรธนิพานะปัญหาที่แปดถามว่า นิโรธความดับสนิทหรือที่เรียกว่านิพพานราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคะเสนะ่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าน้ า, าเกษนผู้เจริญนิโรโทอันว่านิโรธนี้หรือชื่อว่านิพพานพระน้ า, าเกษนรับพระราชโอการว่ามหาราชาขอถวายพระพร นิโรโธอันว่านิโรธสมเด็จพระชิเนน์ถอนโปรดไว้ว่านิพานสมเด็จพระเจ้ามิลินธราชมีพจนาตองค์การถามว่าพันเตนาขาเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ายังกรไรกระนั้นเจ้าข้าโยมให้กังขาสงสัยนิมนวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะ ดูราณะพระบบพิษพระราชะสมภารสัพเพภาละปุถุชนาอันว่าภาละปุถุชนทั้งหลายอันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในการทั้งสามคืออดีตอนาคตปัจจุบันากายนี้ย่อมมายินดีในอายตนะภายนอกภายในคือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพทธภารณมนิยมยกเบนจากรามคุณว่าประเสริฐ ก็พากันเกิดตายไหวเวียนอยู่ตามกระแสโลกีอันเป็นอายตนะภายนอกภายในมิได้พ้นไปจากชาติททุกข์ชราทุกข์พระยาทิทุกข์มรณะทุกข์มีความสูกและปริเทวทุกข์และโทมนัตขัดเคืองใจณนะปริมุต จ, จันติมิได้พ้นจากกองทุกข์เลยขอถวายพระพรฝ่ายพระอริยสาวกผู้มีศีลสังวร มิได้ยินดีในอายตนะภายนอกภายในคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพารลมมิได้สรรเสริญเชยชมว่าดีมิได้มีความรักใคร่กระทำใจเบื่อนายมิได้ปรารถนาก็ดับซึ่งตัวตันหาดับอุปาทานดับภพบชาติดับชราทุกขมรณะทุกขโสกะทุกขดับโทมนัสสุ ป, ปายา ท, ทุกสิน้นดับซึ่งกิเลส ท, ทุก ขันขาดจากสันดานเป็นสมุดเฉดประหารดุดต้นตาลมียอดอันขาดไม่ได้กลับเกิดได้ดังนี้แหละเรียกว่าองค์พระนิรุตพระพุทธดีกาโปรดไว้ว่านิพานขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระไทยโสมนัสตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้สมควรแล้ว นี่โรธนิพานปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้